มังกรหยกภาคสองตอนที่สิบเจ็ดเจ็ตอนสิทธิที่ทางธรทมลีเกยอยินพลิกฝ่ามือของโอหยางสางขึ้นพิจารณาตัวก็ยังอมยตพบมาไม่เคยพบ้ผ่านฝ่ามือเชิ้นนี้มีร้อยก็ให้พันข้าไม่สงสัยเลยว่า ทำไมแม่นางจึงสามารถพลิกแพลงกระบวนท่า18หล่อังคุ้มของข้าได้ฝ่ามือของแม่นางข้างขวาคือสุริยันข้างซ้ายคือจันทาถ้าแม่นางไม่รังเกียดสามารถบอกข้าได้หรือไม่ว่าแม่นางรับเรียเพ่งยุทอันใดมาลีเกยินพร่ำถามโออย่างสั่งด้วยความงุนงงในฝ่ามืออัพิสดาล ตัวกออันเรียงยึดของวิชาหบสิงมีมากมายสุดขนานดจนสุดรูสุดหยาดตัวกอก็นับว่ามีวิชาหบสิงอันเป็นเลิศดังที่เขาล่ําลืองกันที่ท่านถามก็เป็นหนึ่งในวิชาหบสิงที่จะผนึกพลังสุริยันจันทราเข้าเป็นหนึ่งก่อพลังลมปราณสกัดเป็นจากกมลคือหนึ่งกมลมากทอง จิตมั่นคง 2. อง 2> กระมลชนชน้ำจิตละเมียดละไม่สมกระมลพันไม้จิตเมตตา 4. กระมุลอัคคีไ ฟ, ไฟจิตซื่อตรง 5. กระมลปัตพีพดินจิตสงบเป็นหนึ่ง รอเลี้ยงด้วยโพธิจิตโพธิปัญญานี่เป็นวิธีปฏิบัติมรรคผลแบบธรรมชาติที่จะพาไปถึงฝั่งเป็นการสำเร็จแห่งอาชินไตรวิมุติธรรมเมื่อขั้นนี้แล้วจิตย่อมประพัดสอกอเยปอลมิตต่ อ, อ, ตอสิ่งเก่งสุริยันจันทาย่อมประสานเป็นหนึ่งการที่ตัวกอเดินวิชาลอยใส่เพื่อประสงค์สิ่งใด มิทันที่โอหยางสางจะไต่ถามให้หมดลีเกยยิ่งก็พลั่งผู้ความในใจอันคับข้องใจออกมาดังทํานบกันน้ำแตกข้าเรามเรียนฝึกปลือและปฏิบัติวิชาหวบสิงมาตั้งแต่วัยรุ่นจบจนบัณนี้เหลือดเหนือกายใจจิตปัญญาก็ฝังลากลึกความปัฒนาสุดยอดคือการได้เผยแพร่วิชาวฟซิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงียบหกหกหมอวงวงการสยบมานแต่ทุกวันนี้เจตนารงของข้ามิอาจบรรลุเพราะไร้ผู้สนับสนุนเปลียบประดุจจอมยึทธภูไ้แขนข้ามิอาจทำการใด้ที่ข้าได้กระทําต่อคณะแม่นางเช่นนี้เพื่อหวังให้เหล่าคณะที่มาถึงเกษาสถานของข้าทุกคนมีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือสนับสนุนเงินทอง ข้ามีใจที่จะตั้งสำนักเผยแผ่วิชาหบสิ่งสาขาเนียบหกหมองคือการสยบมารยังเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากได้พบแม่นางเช่นี้ก็ดีแล้วแม่นางมีปอเยปอลมิตรสิ่งเก่งเช่นนี้สมควรจะสนับสนุนเราตัวกอสักยี่สิบมืนตำลึงทองเพื่อซื้อดินข้างเคียง สร้างสำนักให้ผู้คนมาเรียนวิชานี้กับข้าโอหยางสั่งได้ฟังเช่นนั้นจึงเอื้อนเอ่ยวาจาอันดังว่าท่านก็เป็นศิษย์ภิกษุควบสิงต้าวฟูฟูใหญ่ไม่รู้ถึงคติพจนของท่านทีว่าขุดบ่อล่อธาลาขุดตื้นๆน้ำโมมีขุดถึงที่น้ำจึงไหล อุปมาดังคุสะเพื่อจะเอาน้ํามาใช้ต้องคุกให้ลึกถึงตาน้ําจึงจะได้น้ําการเรียนวิชาวบทสิงก็เช่นกันหากเดินทิชาเข้ากลางในกลางยิ่งขึ้นไปดับยาไปหาละเอียดดับยาไปหาละเอียดดับยาไปหาละเอียดดับยาไปหาละเอียดดับยาไปหาละเอียดจนสุดละเอียดแล้วเอากายทั้งหมดทุกกาย ทุกสายทุกสีทุกวงทุกองค์เข้าเป็นหนึ่งจนสุดรู้สุดยานสุดละเอียดและคำนวณสมบัติรัตนเจ็เจ็สัตตรรตนาเดินเครื่องเขาไปในหัวใจเครื่องของสิทธิไม่ถอยหลังกับละเอียดเข้าไปแก่เข้าไปทุกทีจนถึงหัวใจเครื่องของทะเลสิทธิจะสามารถเอาแก้วร่มพุทธจักสูงสุดมาใช้ได้เมื่อนจะบังเกิดบุญศักดิ์สิทธ ไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวางจะสมปรารถนาทุกสิ่งในทางที่ชอบก็ดิจิตก็สำเร็จสมประสงย่างอัศจรรย์ด้วยบุญจริตตัวก็คงลืมไปแล้วสิว่าการแสวงหาสิทธิในทางธรรมไม่ใช่การประยุทธ์ประหักประหารกันเช่นสิทธิทางโลกสิทธิทางธรรมยึดได้ด้วยบารมี ขอเพียงแต่ท่านทำให้ถึงที่บุญจริตจะนำพาผลที่เป็นอามิสลิศคือความเจริญรุ่งเรืองด้วยมนุษยสมบัติอย่าว่าแต่ย0สบหมื่นตำลึงทองเลยที่ท่านต้องการไปเพื่อสร้างสำนักเลยท่านยังได้ทำมลิศที่ท่านจะสามารถนำพาเหล่าท่าธรรมสำเร็จวิชาเนียบวกหมอกวงแม้มักผลนิพพาน ก็สมเจตนารมอันประเสริฐที่ท่านมีตัวกอเป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐคิดช่วยเหลืองานของท่าธรรมในใต้ฟานี้ตัวกออย่าลืมว่ายังมีสายตาอยู่คู่หนึ่งที่คอยมองดูเหล่าสิทธานุสิตนั่นคือสายตาของพิสุขวบสิงต้าอวงฟูข้าก็เห็นใจที่ท่านขาดกำลังคนกาลังทรัพย์มาเกื้อหนุน ข้าให้ท่านได้แต่กำลังใจขอให้ท่านขุดบ่อให้ถึงตาน้ำเถิดอดทนอีกสักนิดเป้าหมายไม่เกินไขว้ขวาขอเพียงมีกำลังใจอันแข็งกล้าอุปสรรคมีให้ข้ามมานไม่มีบารมีไม่เกิดคำพูดของโอหยั่งสั่งเปรียบประดุษสายฟ้าฟาดเข้ากลางใจของนี้เกิดยินจอมยุทเท่าแห่งทะเลบูรพา จริงสิทำไมข้าถึงลืมคติพจน์ขนซือแปะของพวกเราได้ข่าขละอายแก่ใจดี่ต้องให้เด็กน้อยมาเคี่ยบผงออกจากตาข้าข้าจะพยายามขุดให้ถึงตาน้ำขอบใจแม่นางมากโอ้อยังสางกล่าวว่าถ้ามีการใดที่ข้าพอช่วยได้ขอตัวกอยากเกรงใจนี่ก็ค่ำมากแล้ว เราและคณะเห็นจำต้องลาลับสู่สำนักความเชื่อมั่นที่ว่าธรรมะต้องพิชิตอธรรมความเชื่อมั่นในสิ่งดีงามความเปิดเผยบริสุทธิ์ใจสามารถพิชิตความชั่วหลายและเล่เหลี่ยมอันกรอกกลิ้งทั้งมวงได้เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไว โปรดติดตา ม, ต, ต, ามตอ น, ต, อนต่อไป